ทำมาเซจัดแล้ทำสั้นๆเปลี่ยนเป็นวิธีการเรียก ร, รยองให้พวกเขามาประชุมพร้อมๆกันม่มาประชุมพร้อมๆกันแล้วกันครเอามวพอเป็นเป็นพื่อให้แนวคนพิจิตรไม่อว่ามาเป็นประธานอะไรวิธีเราเป็นะมันเป็นเรื่องสมมติ ลอฟังกันดีๆตั้งตั้งใจฟังการฟังเทศฟังคำเมื่ฟังภาพแสดงธรรมนะเมื่อประทับอภิธรรมนะเป็นคําเดียวกันเพื่อเราจะได้ฟังบางคําซึ่งแปลกๆของเราได้ฟังกันดีเด้่อเราฟังมาแล้วก็มีแต่ฟังมาแล้วของเราได้เขา้เขาใจเจ็บจำเราได้ในนั้นเราเปิดอบรม นิจจนากรร ม, มฐานหรืว่าอดอบรมสมามะกรรมฐานนิจจนาอธิวาระสินเรองสุดมุดเขาเปิดอบรมกันทุกปีทุกปีเพื่อจะมีพระเจ้าพระสงฆ์เขากับพวกกันอบรมอย่างซีเพื่อจมีพระเจ้าพระสงฆ์เขากับพวกกันอบรมกัอย่างซีเป็นประจราไม่เราเขาเลือกรอง หาพรกขพวกอะไรทางใไรเลือกลองหาพระพุทธเจ้าก็ได้หาพิลาทีไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อไหนใจควมนันเขามาว่ากันเรื่องงานของพระพุทธเจ้าไม่เป็นศัตรูกันกับพระพุทธเจ้าเรียนทำวัดเลาก็ทำเป็นเพียงที่ถือเพื่อเขาจะต้องการมาบุจสรหาเรืองอะไรและสั่งสังแล้วก็จดจํานำเอาไปปฏิบัติงานของพระพุทธเจ้าก็คือเห่านี่แหละ เพิ่มระดูการมาะะระมันระวงนี้เขาบ่มีสารบ่มีงานบ่มีธมมุระบ่มีหน้าที่มาเพราะเขาเป็นคนมีอายุเขาก็เลยมาหาที่ถือทำยิ่งเขาทําได้ลูกลูกลานลานที่ ท, ที่น้องๆผู้ว่างก็มาคือหากผู้ได้บว่างเขาเจ้ากระโบมาลูกลานเขาคือจันเขาเจ้าบอกพอใจเขาเจ้ากระโบมาแต่เขาขาเจ้ากระโได้ว่ายัางเขาเจ้า เขาต้องลักการรักงานของเขาเรียกว่าเขาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าพราะเขาได้ลำลงวงสกุลของพระุทเจ้าเลือกลองเอาพุทธเจ้ามาไว้สับเขาแบบนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเขาบกคำหนึงบกคิดถึงสิ่งที่เขาหูเขาเห็นเขาปฏิบัติมานั้นเขาละเลยแต่ซะก็เป็นศัตรูกันกับพระพุทธเจ้าคนก็จะเป็นยึดเป็นศัตรูกันนะครต้องรู้จักกันจากน้อยก่อน เมื่อเฮาเล่ากันแล้วบราณเรื่องก็เรีกว่าศัตรูกันกับพระพุทธเจ้าเฮามาเฮ็ดเฮามาทำแล้วเฮาทิ้งเฮาละเอาป่าเอาปล่อยระเปกนศัตรูกันกับพระุเจ้าพระพุทธเจ้าเครอยงอยู่ที่ไดเฮาชี้ห้เฮาชี้เห็นเฮาบุ่งหัเฮาบ่งเห็นเฮาชี้เป็ศัตรูกันกับพระพุทธเจ้ากับโบราเฮาบุ่งห้เฮาบ่งเห็นเฮาชี้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้ากับโบรามันเจริงนะครับใหยุดเอา เขาเป็นศัตรูกันเอาจิตไปซกไปซอยนี่จิตไปตีนนี่จิตไปทะเลาะปิดเถียงกันคําถ้าเอาบุญเห็นหน้าเห็นตาเป็ระตรูกันบูได้ไปทะเลาะกันบูได้ใชนไมบางทีเอาจิตหักจิตแทงกันเป็นมิตรเป็นสายเป็นญาติกันจริงๆเอาบุเห็นหน้าเห็นตาเขากระชเป็นเป็นญาติเป็นสายกันบูได้นโต่งกันข้าู่อย่างนี้นั่นแน่นจรงว่าเอามาเปิดอบลมนี้ึงระยะสีนี้ เขาเ่าเป็นกายเปิดทบทวเรียกรองออพักพวกเขาที่เคยเม่เคยเห็นเคยได้อรมณากันมาแล้วคืนกันเขาที่ให้จ้ดาดนม่จะ ก, ก้าหน้านม่จะคือผ่านไปหรือไม่ จ, จะมั่นคงไปเรียกวายังสงได้เรื่องเขาที่ให้จัาไดนเปจะดีที่ว่าจสัได้มันเป็นคาพูดภาษาธรรมะไม่เป็นภาษาที่พูดและเป็นภาษาที่ทำบนเรื่อพูอ โทษจะต้องทําทําแล้วเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาและคนอื่นเป็นกัตว์ดันั้นรพูดถึงอย่างนี้จะ้ะยุทีที่ปฏิบัติอย่างที่เขาเห็ุนี้มันพูกกับตำราแลนมันขัดกับตาราพูกกับตำราอย่างไหนพูกเพราะเขามาลูตัวเขาขัดกับปตำราอย่างไหนวะคนส่วนมากาจะบ่นเห็นดีบางคนบางคนก็จก้ากับเห็นดีแนวพอวานเรื่อย การฟังธรรมะนั้นฟังให้เป็นกรกได้ฟังให้เป็นญาติมิก็ได้ฟังซื่อๆว่าเป็นญาติว่เนิก็ได้มันเป็นอไรเัเขามาปฏิบัติธรรมะคนเช่นเดียวกันในานจัหวะเป็นสารพูดให้ฟังเบืเ้องแราเรนจังหวะกันเร่ยนเดิน็นโกมกันรยลุกเีนนังกันเรียนไปนว่าหักฝึกหักสนทเป็นเมื่อสุกหักสนจนแล้วการกราการไหว้ ให้มเป็นให้เป็นยังไงให้มันน่าดูให้เป็นอันเดียวกันคล้ายคล้ายสุวรรณน่ะผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้ากับใครๆก็เห็นอันเดียวกันนั้นเราก็ต้องเห็นอันเดียวกันนั้นแล้มาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติวิธีอันนั้นถ้าเาสอบถ้าเป็นงานของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าสอบสอบเป็นงานของพระพุทธเจ้าจริงๆเลย ให้เพาเนี่ยคารวะเป็นท้างห่วงคอของโลกหรือขับขวางนี่มันเป็นอะไในงานจังหวะตอนเตน้าไม่ดีกัมาว่ากันโดยเฉพาะเขาที่นาไปใช้วิธีให้จังวหว ะ, ะทําให้มันเป็นและววิธีงงลุกขึ้นทําให้มันเป็นวิธีนั่งลงทําให้มันเป็นวิธีกล้าก็ทําให้มันเป็นทั้งห้าพวกเขาไม่จำต้องคือจะนึกขจะดกระเบืง้ง ถ้าหากไปพร้อมๆกันเนี่ยขาเจ้าจะเห็นไอ้พวกนั้นเป็นอาสานเล็ดกลางสันขาจะาจะเจบื่อคนที่บุกเคยเห็นขาเจ้าก็จะได้เห็นคนที่เคยเห็นนล้เขาจะบ่ชอบเขาเจ้าก็เครียดขน่าคนที่บุกเคยได้เห็นบางทีข้าเจ้าจะเอิดเพื่อเกิดชอบเพื่อพอใจจะมีเพื่อเบื่อหน่ายจะมีมันเป็นอาสานใ่ไเฮาต้องทาดีซื่อีทำซื่อเนี่ยเขาบ่ต้องพูดมา การทำให้ดูยื่ให้เห็นพูดให้ฟังอะไาทำให้ดูทำย like <ask les> ังไงกันให้จังหวะให้ดูหัดลุกหัดนั่งให้ดูหักกล้าหัดไล่ให้ดูเนี่ยยู่ให้เห็นพูดให้ฟังพูดแล้วจะพูดยังไงพูดให้มันรู้สิตตัวเองให้มันรู้จิตตัวเองถ้าหากบ่รู้จะตตัวเอเพื่อนคนลงตนดืมตัวจังทำให้ดูพูดให้ฟังยู่ให้เห็นอะไรอยยนังให้มันสบายนั่งให้มันสบายยืนให้มันสบาย เอาใจมันสบายไปยืนก็จะเห็นยืนอย่างสบายยืนอย่างบ่อเดืออนเขาที่ทุกข์ที่จนเขาก็ยืนอยางสบายเขาที่ดีมีทก็ยอย่างสบายนได้ยืนอย่างฝนเดือดร้อนไพซีนาสัญากรรตามเป็นเรื่องของคำพูดคำพูดคำนินทาคำชนะเสื่มืกับเทนาเยคินทากาเลเหมือนเทน้เปทได้ทั์ใดตัณที่จะเจียบางทีเียบาทก็บเบียย มันจะมีเรื่องเนี่ยคำพูดคํำชมคําีทาแล้วนั้นเราต้องทําให้มันสม่ำเสมอเพื่นโยงกับลำอ้อยนีโบ้ช่วยโบ้ช่วยสายทําให้มันเสมอทําให้มันเสมอกับในวันเธอให้มันเสมอต้นเสมอปลายเพ็รเยี่ยงไปเนี่ยการทำอย่างนี้มันดีดีประโยชน์แก่ตัวเรามันไม่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อเราทําไปมันเกิดความรู้คนเห็นความเข้าใจ สัมผัสแนบแ น, นกับตัวเหาจริงๆรูตัวเหารูลูก ร, ร, รูน้ำแต่คนเหาว่าลูกซื่อนาำซื่อเขาบอกหูจับว่าตัวเหาเป็นลูกเป็นน้ำเขาไปเห็นตัวรูภาพอยู่กับกระดาษคนณมนลงโตไปตัวเอิ้นหลงตัวลืวนโตมันไม่ของจริงอะไรเป็นนายาลูกที่สมมุติลูกจริงๆคือตัวเหานี่แหละน้ำจริงๆคือตัวหูจักเคลื่อนไหวนะหูจักเคลืนไหวแนมะ่ยังกษัตริยนะ์ยา ส, าสว่าะ ทำงานนั่นหมายถว่าใจเราสังกตได้หรว่าวิญญาณสกตได้ที่ว่าตัมันหลายเลยได้แบบนี้ไม่รู้จักอันนี้อนนาาาาย่ร า, า, า, รร า, ารู้จักอันอื่นบนเมงกรมฐากรรมฐานที่ปัจจัยกรรมฐานก็ตางมันจะเป็ปัจจัที่จะมาลูตัวให้หมืมาฟังคนว้าวแบนีค้คนว่าเรื่องอืน่นเขกาก็ฟังอย่าไปฟื้นอยากไปสมเพลินคนว่าเรื่องของคนเขาฟังเรื่องของเขาเขาเรื่องตัวเขาอยู่ดูเลืกดูหนาม รูลูรูน้ำก็ปะรูลูทํารูน้ำทารูปอันนี้มันทําน้าอันนี้มันทํารูลูโลกรูน้ำรูลูอันนี้เป็นโลกน้ําอันนี้เป็นโลกรูน้าอันนี้เป็นโลกคือเจ็บหัวปวดท้องเมื่อเจ็บหัวปวดท้องได้ใจเป็นสมัยอันนี้ก็รูโลูน้ําโลกกันเัืนี้เขานั่งอยู่ซื้อเขาพูดเขาคุยกันเขาไหว้เขาเกิดพอใจเกิดบุญพอใจนิดจิตงานเป็นโลกอนี้มันเป็นอะไรนี้นม่เห็นอันนี้แบบกระืทือนเขาเป็นงานของพระเจ้า เป็นคี่น้องของพระพุทธเจ้าเป็นมิตรของพระพุทธเจ้าถ้าห้าขาโบลูเขาเห็นอาชีวะเว่าเขาเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าเพราะเขาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจริงคือทุกคนนี่แหละทุกคนนี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นน้อยเป็นหลายเทพบุหะจักกันแต่ว่าเป็นโดนมือมึนก็เป็นซัวมองมึนก็เป็นลินาซีมึนก็เป็นไม่เป็นคนคนมันต้องมีจิตใจเป็นปกติมีนมึนมือมึนก็หนีเท มันเป็นปกติเข า, าเหวี่ยงเมื่อเขาเห็นติดป็งงนญาเป็นโลกแล้วเขาก็เห็นผลทุกข์ทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกนายเป็นการเคลื่อนไหวทุกขังอนาาิจจังเงนดวงเพียงอนัตตาบังคับบังส า, า, งาเงินบนไรรูปนี่มันจะมาซึ่มันทิพตามันหายใจมันเง็กมันคิดมันเคลื่อนมันไหลเนี่ยเป็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันติดกับรูกนี้เป่นว่าทุกขังเอาทิ้งบปได้อนิจจัง ไม่ใชม่มัน เ, เลี้ยงมันเป็นไปตามจังหวะของมันคืนอว่าการให้จังหวะกับมันต้องได้จังหวะของมันอนีอ้นตาบังคับบัญชาบไดาเกิดมาแล้วก็แสก็เจ็บก็ตายไปเป็นไรนี่รู้จักอะไรแล้วก็รู้จักสมมุติสมุดเอาหน้าเนี่ยก็สมุติเอ า, า, เ, อ เ, อาเรีว่าสมมุิบัญญัติคันท่าบสมุดหน้ากันไม่บัญญัติขึ้นมาเขาก็บมีอันศีรษะ่ีอันศีรษะเขาต้องสมมุติขึ้นมาอย่างเทงาขามือเท้าเขาเนี่ยกัสมมุติขึ้นมา หมดเพื้อผ้าทางเตงผ้าทงเขาก็สมมุติลาขึ้นมามีผ้าเสี่ยงเกลือนให้าหัวส่วสมมุติขึ้นมามันขึ้นอะไรสมมุติรือเปล่าสมุดแล้วก็บัญญัติขึ้นมาเพราโอ้สมมุติบัญญัติอำนาจจึงจะกินโดยสมมุดตัวเนนบัญญัติกินโดยปลามัดเนี่ยมนีสองอ่านแล้วได้ไหมจึงโดยสมมุติจึงโดยปรามัดเนี่ยนะครับอัฐะบัญญัติอัฐะนั่นคือผู้ที่มีปัญญาว่าอะไรอัถะเปว่าลึก ยาบุคคลตะรู้เอาง่ายเป็นส่วนติตใจอัตถะบัญญัติอริยบัญญัติเป็นรู้ได้เฉพาะพผู้เป็นอริยบุคคลบำนี้ขบพิษาเป็นของยืน ง, ง, งอ ก, กระเจนลึกึกยันในสัขันบทตั้งตัวตั้งสติกะ็ะสบบรู้เอาพิษตามาใจน้อยๆทีรู้ทุกครั้งเนี่ยบอกบุรุทุกครัง้งเอาหายใจมาใจน้อยๆคุณนะมีจะพอ ง, องแงมาที่รี้ทุกครั้งเบบบอกบุทุกครัง้งห่งคิดด้ไหม มันจะทองแม่เขาคิเขาลูกไงจ้กท <gu> ุกครั้เนี่ยบอกบุรุษทุกครั้คเหนียว่าเรื่องผมผมบ่าเรว่าอะไรคนผมเกิดจากท้องแม่มาบ่เคยรู้บ่เคยรู้ผมสิดเรื่องรู้รู้คิดบ่เคยรู้ผมสิดบ่เคยคิดผมิดอายูส่สิหกปีผมยัมารู้เรื่องของคิดยังมาเห็นเรื่องเรื่องของคิดของผมผมว่าเป็ลูกของคิผู้อื่นผมว่าไปเห็นของคิดผู้อื่นผมลูกของคิของผมผมเห็นของคิดของผมผมจะอ ทำแทนสังไูดายเรื่องหนงย่ออัตถะบัญญัติอริยบัญญัติต้องรูสมมติอันนี้สมมติทีสมมุติเทวดามันเป็นสมมุติทางนั้นที่ก็คือคนทําตัวพูดตัวคิดตัวเป็นไงกันเทวดาเด่นเนี่นานา ด, นดาคือคนทําดีพูดดีคิดดีเป็นนไวน่าเป็นหน้าที่ของคนรู้จักศึกษาให้รู้จักคนต้องรู้จักหน้าที่ของคนถ้าหากไ่รู้จักนี่ก็แสดงว่าผู้ให้ยังไม่ใช่คน เกิดมาแช่งข่าหน้าตามือเข้าเป็นคนก็จริงแต่ยังไม่ใช่คนไม่ใช่คนเ่ อ, ยอยาะอะไรติดใจไม่ใช่คนเพราะบุรูษคนนี้ม่จริงหรอจะเลือกเอาได้เลยคนเจอว่าหลายอันคนเจอว่ า, าอวนคนเจอว่ามันมากใครๆคือของมากบ้านเหา่าพอแม่ปู่ยาตายายเขามีของมากมาเครเื่องเสกเครื่องเหลืออยู่ทั้เป็นปูนเป็นเม็ดเป็นสิดเชื้อเป็นครูเป็นมากมัน ต้นที่ในถงมาค่ะไม่ s <S เอามาเทออกมาเลือกเอาเลือกเอาอันนี้ไม่เ <No. อันนี้อันนี้อันนี้แหละคืว่าคนเลือกออกมาเป็นชิ้นๆอันเนี่ยไม่บอกคนคนซึ่งแปลกดวนมันเมื่อคนเนี่ยคําพูดกันไปกันมาแล้วรู้จากคนโซเล่โซเล่แค่มี่อเนี่ยเขาว่ากันคนแปลกดวนวนจะว่าโซเล่พูดกันแล้วไรู้จากเรื่องรู้จากต้นรู้จากปลายเขาว่าบ้ามึงอยู่เนี่ยคนกับวนกับบ้าเป็นอันนี้ ถ้าหากว่าเขาไรู้จักกั็ยังเป็นคนเป็นป่วนเป็นบ้างเมื่อเขารู้จักเลือกคัดจัดหาเป็นเช้นเป็นอันขึ้นเป็นคนรู้จักคนรู้จักหน้าที่ของคนเป็ิงานของพระพุทธเจ้าเป็นมิตรของพระพุทธเจ้ารู้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นอาสาเหยืู้จักอันนี้เขาเอ็นตาทิพย์หูทิพย์บริกรราทิพยหูทิไปอย่าอื่นผู้อื่นเขาจะรู้จักไหนบุคครู้จักเงาควารู้จักอันนั้ งาพ่อจึงเอาเจ้เร่องเจ้าซีมาเราอันนี้คือเขามาปฏิบัติธรรมมางานาฏิสัติไปงานเรียกร้องมาให้กันฟังมาให้ฝังทุกมือทุกมือทุกมือเกลื่ันได้ที่เ้าหนาเห็นแจ้งรู้จริงตามควรเป็นจริงคนนวันนี้เขากม็มารู้จกากศาสนาศาสนานั้นเขาเห็นตั้งแต่วัดพระพุทธรูปจงหัวไอ้ตัวโบสถ์สิมสือเป็นศาสนาอะไร เพราะหงพ่อ้จากอังสันเตรกรก็มาเมื่ออายุสี่สิบหกปีมานี้บอกศาสนาคือโตคนโตทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาผู้ยิินก็เป็นศาสนาผู้ชายก็เป็นศาสนาคือศาสนาไดก็เป็นศาสนาทั้งนั้นเรียกว่าศาสนาคือคำ ส, สอนของท่านครูตอนให้รู้หน่อให้รู้ตัวเฮานี้ให้รู้ตัวเฮานศาสนาแต่วา่าคาสอนสอนให้รู้ตัวเฮาพุทธศาสนาไป พุทธะโฆษณาคือตัวหอวลูนั่นเลยที่ว่าสติก็ได้ที่ว่าปัญญาก็ได้ที่ว่าลูกก็ได้ที่ว่าสัญญาก็ได้ที่ว่าวิญญาณก็ได้วิญงานแต่ว่ารูเขาก็เลยนับว่าทาผมลูสิบตัวเตือนตัวลูใจเตือนใจอันนี้นเป็นพุทธะศาสนาเจ้าเป็นงานพระพุเจ้าเป็นเม็ดของพระเจ้าจึงเห็นพระพุทเจ้าคนี้พุทธะาฆษณาพุทธะเจียนแปลผู้นี้ผู้ตือนผู้บุกบานได้ทํานั่นพิษตาเขาก็รู้ รู้น้อยก็เป็นพระพุเจ้าหน่อยรู้มากก็เป็นพระพุเจ้ามาหายใจก็รู้รู้น้อยก็เป็นพระเจ้าหน่อยรู้มากก็เป็นพระพเจ้าง่ายขึ้นมามันคิดออกกันรู้พอรู้มากเข้ามัก็เป็นพระเจ้าใหญ่ขึ้นพอรู้น้อยก็เป็นพระเจ้าหน่อยหัวมในเลยทิงบมดเลยเบาจิตใจเอาใจตามเอา้นพระอินาจิบหายเปนว่าคือเฮามีเรีนมีของในใจโปเต็นเนี่ยมันเป็นอภินาจิบหายอาจิปหายเราควรเอิญปนะทำโมไปว่า คือมันจะหายเองเลยฮะนุรัขาพระโพเลยเง้น้อยจะให้เงี้ยน้อยอยู่กับเองเลนาพระโพลยเลหลงเบลุดตั้งอกตั้งใจไปให้ไปนาไปห้วไปส่วนเก็บผลหา่อพขาก็ให้มันรู้ให้มันรู้ยเรื่อยนี่แหละคืออะไรอย่างนี้บาปเนี่คือเขาบม่รู้ตัวเขามันเคลื่อนมันไห่มันไปมันมามันบ่รู้สงเอบาปบาปก็คือมืดคือโง่คือเบื่อจะ บาทเป็นอะไรบุญเป็ น, น, นยังบุญคือสลาดคือลูกคือเห็นคือฮู้จักบุนคือบุญทกข์คือได้กินอรจั ง, ง, จงหเหกกระบเเสือยของจริงอันนี้จริงแท้เนี่ยมึงกินโตโจเฮาไป้ลยนี่ต้งว่าการศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักอันนี้เรื่องต้นที่สุดรู้จักอันนี้แล้วมันจะเคลคมรู้อันหนึ่งขึ้นมาเคลคมรู้ออกไปนอกตัวเามันคิปบางทีฟุ้นี้ฟุ้งออกไปเ น, นี่คิดปิคดปควมรูอ้อันนั้น มันนั้นเป็นอุปสรรเป็นศัตรูกันกันกนนกบพวกเจ้าบริษัทญาจะนี้เป็นศัตรูกันเขาหักกันติดเพราะว่ามันหลงตงนลืมตัวแล้วที่รู้ตัวเขาน้อยที่สุดเป็นฟุ้งออกจข้างนอกนี่ฟุ้งออกจาข้างนอกก็เป็นคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงลืมได้เพียงแต่ว่าเมื่อมีชีวิตอยู่กับคนตายแล้วนะคุณว่าคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจน่ อันนี้ท่เรเอามาสมกันเพื่อเติอบรมกันเติอกเปิเปเใจกันเติของมื่ให้มันแจ้งงายของข้อมให้มันเห็นวเติอบรมเติดอกเปิเใจเบิใจเขานี้นี่เขาเป็นอย่าง ใ, ใจเขาเขาจเห็นพระพเจ้ือเขาจเห็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียท่านโยมเอเนี่ยจำมันมีพระพุทธเจ้าน่คือจิตใจสะอาดจิตใจสว่าง จิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ้องใสจิตใจว่องไวหกอย่างมีจิตใจสะอาดสองจิตใจสว่างสามจิตใจสงบสี่จิตใจบริสุทธิ์ห้าจิตใจว่องไวหกจิตใจผ้องใสจิตใจผ้องใสว่องไวเห็นไหมเมื่อทำอบรมมาทำปุ้มรู้สึกเตียจิตใจผ้องใสจิตใจว่องไวจิตใจเป็นปกติ เอาไปเีวานเลยเขาก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยเขาเห็นพระพุทธเจ้าน้อยเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าน้อยเขาเห็นหนาเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ไงึ้นเขาบ่เห็นเขาก็เป็นปัตโูกับพระพระพุทธเจ้าแบบนี้เขารู้แล้วเด้อคนไายฝั่งแล้วเด้อนั่นจิตใจสะอาดนั่นคือจิตใจของพระพุทธเจ้าเขามีแล้วมีมัดทุกคนดีเนี่ยเขาเป็นพระพุทธเจ้าได้มัดทุกคนแต่บนเรือนพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าสายกิตติธัปุมานั้นทุกอย่างผู้ได้เห็นทำผู้นั้นเห็นแล้ว ผู้ไดบ่เห็นธรรมผู้นั้นบ่เห็นเราก็เห็นตัวเฮานี่สิหนว่าที่ไปเห็นสี่เห็นแสนเห็นที่เห็นเทวดาเห็นนางกเห็นสวรรค์ี่ใดก็เห็นตัวเฮาจังว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เห็นตัวเราเนี่ยกําลังทํากําลังพูดกำลังคิดเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นด้เห็นเราผู้ใดบ่เห็นธรรมผู้นัก็บ่เห็นเราเนี่ยก็บ่เห็นตัวเฮาสิหนว่าบ่เห็นธรรมบัดนี้ผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดบ่เห็นธรรมก็บ่เห็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เนี่ยคนว่าว่ายง แต่เราไปทำของงา่านทำมันงาขึ้นมาไปทำความสบายบบนี้ทำมันเกิดยุ่งขึ้นมามาต่อเลยบูฮจักอันมีรู้จักทำมาเป็นวิธีปฏิบัติธรรมมาอย่างหลั ก, ลกๆอย่างตรงที่สุดเองบูมีอันใดมาปิดบงดังใดเพราะเขาลู่เองเห็นเองเข้าใจเองรวมเคลื่อนไหวทุกอย่างให้เขามีสติติดตามอันนี้แหละคือเขาตีงานของขบุรเจ้า เขามาพยายามเฟื่องฟูคําสอนของพระเจ้าถ้าพระเจ้ายึดใจจะต้องพยายามทําตัวของพระเจ้าเองเขาได้ยินบอกถ้าพระเจ้ายึที่ตายเนื่อสคนพนไลฟ์สั่งโอเมอาคูบาอาจารย์น้อม่ถามผุ้ไปถามพระบริเจ้าพระอนุญาตให้เข้าไปใช้พระบระเจ้าป่วยน่ะที่ตายแล้วคนเอื้อส่วนน่ะคืออยากเข้ามาพระบริเจ้าป่วยหลายเมื่อหลายที่ตายเลยพระบระเจ้าฟังเลย อันนั้นจะไปห้ามเขาให้เขาเข้ามาเขามีความขัดข้องเขามีควาสนใจให้เขาเข้ามาให้เขาเขามาถามเองอันนี้ก็คือการเข้าไปใส่มาใส่ต้องอวโลนีนเขาสนใจเขาก็ถามเขาว่าสนใจคาแล้วไปในพระพุทธเจ้าคนี้จนขั้งสุดท้ายให้ว่าจะไปคนที่ตายเขาไปถามพระพุทธเจ้าเพิ่งก็ะวายฟังผู้ที่ไปฟังกันเลยเกิดเข้าใจเกิดมีสรัทธา คุตตาชาชนากเลยติดอิตานั่นไปติดคนนั่นไปแค่ไหนประเทศอินเดียคุณได้บบ้านเฮาเลยบ้านเฮานี่ก็ะแทงออก็ต้องวาบ้านเฮาที่ในเมืองไทยกต้องว่าเนี่ยเมืองไทยนี่ที่เขาจีบวาบนอื่นยังไงวาบนอื่นมันต้จับภาษากันบอกมันคนละภาษากันเนี่ยเขาไปเรียนภาษาบาลีไปแต่คุณมันเรื่องสมมุติเนี่ยเขาเจ้าวาภาษาบ้านเฮานี่รับรองว่าลู้กันมัดทุกคนที่งานภาวเนี่ยรู้มัดทุกคนบอต้องเรียนก็ได้หนังสือนี่เรียนก็ได้ พรามันมีในเราเนี่ยอันนี้ให้รู้จักอย่างทีอันนี้เราสื่อารเรียกรองเป็นการปรผสมกันเป็นเรื่รงองที่บางที่ผสมง่ายผสมย่อยเข้ามาบ้าเนี่ยของกประผสมกันเดือนละจากครั้งเของกปรผสมวันทิศหรือวันพระเนีเขาต้องงัดกันเมื่อนั้นเขาจีผสมกันเวลาเท่าใหเขาก็ต้องไปพบกันของเราผสมกันบ่อย ๆ, ๆยพบกันบ่อยๆเป็นานาเป็นนิดกันทางโลกกัน เราเห็นหเห็นตากันอันเหาว่ามันผสมกันว่าเห็นกันอากาศไม่รู้จักกันเลยแบบนี้เขามาผสมกันวันพระหรือวันทิศเขามาโอ๋อบ้านนั้นผู้น้นผู้นี้เนี่เขาจะได้รู้จักกันเมือเรามีเ ห, เหตุมีกิจวัตรจาเป็นเราจะได้ศึกษากันคนจําเป็นอย่างนั้นผมจำเป็นอย่างนี้ผมจิไม่ได้มาจยางนั้นผมจะไ่ได้มาจังนี้เขาบอกกันเมื่นั้นผมเป็นอย่างนั้นเขารู้จัก ด้นั้นผมไม่ได้เป็นอย่างเอาคิู้จักหควงทุกข์ห่วงสุขห่วมขัดข้องห่วงสะดวกสบายเขาคิดได้ว่าสู้กันังเขาคิได้แก้ไขคนใดเป็นอย่า ง, งไรดแก้ไขเป็นอดีตญาสิมิตรกันในทางธรรมเป็นญาติเนมิกรนะครับคือเอาจิตใจใส่กันเป็นว่าที่สัน น, นันพวกเขามาประชุมกัน น, นี่ก็เลยว่าเรื่องนี้ฟังธรรมะสั้น เพื่อให้เขาเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิรนาว่าปีนึงเป็นการประสมใหญ่เดือนนึที่เป็นการประสมเย้ยย่อยกันเอาไปวลาเขาเขาให้จังซีเป็นการประสมใหญ่เป็นการประสมใหญ่เพราะว่าบ้านใจบ้านเหนือเลน้องงอไก่ใสเขากับมาประสมกันนี่เรื่องอะไรกัต้องว่าครับเราจะแกอาจสดชวกันได้โดยวิธีใดเขาจึงจะไดดีความทุกข์นี่เขาว่ากันหว่มีความทุกข์้เขาก็สบายใจนั่งนั พเจ้าว่ามีเมตตามีกรุณามีนุตุตามีอุเตข่ไหมครับเพื่อนว่าสิเฮาเนี่ยแหละเฮาเมตตามีความการุณามีความสงสาเอื้อเฟื้อเอาใจใส่กันเมตตากันแล้วเขาจึงว่าเป็นสุดซอยสำหรับเรเฮาไปไม่ถึงเฮาไม่เงินไม่มีเสื้อมีผ้ามีข้าวีน้ำไม่มีอันใดเขาจะได้สุดซอยกันหรอเมตากุณาเขาเอื้อเฟื้อเอาใจใส่กันอันนี้เขาบอต้องวอรจังกันเยขาเียงแตหาคัน เราประชุมกันปึกาหารือัางสันยุทธ์ดว่าเดือนนี้อย่างน้อยคนวานีเดือนละครังก็ดี นามะเนขาเานนนัตนสนักมรรคสา กราบเลมีมุนพระเนนเราฟังตั้งใจฟังแล้วก็จเจริญพรญาติโยมตั้งใจฟังฟังนั่งให้นสบายฟังฟังให้มันจําได้แล้วก็นําไปปฏิบัติทําวัดเย็นไม่ได ก, ก็ะทำสั้นวันเป็นทำยาวทําวัดเศร้าก็คือกันเพราะเราจะเอาเวลาที่ทําวัดนั่นแหละมาพูดธรรมะและ เป็นการปฏิบัติธรรมไปโดยนีโดยเฉพาะคนไทยคือศาสนาพุทธเข้าใจกันไปในเรียมหนึ่งบางทีอาจยิบดรตงกับคำสอนของพระเจ้าเพราะเขาเคยเสื้อตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามาทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้ดูอันนั้นกระแดบุเชยเป็นบุตีมันเป็นเพียงาศาสนาสิทธิธ ทำมาตำแบบบุลมุลาคนเราไปยึดมั่นถือมั่นบุรีบันนี้เขามาทําให้เป็นมุมกับอย่างที่พวกเขามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นมุมกับคือเป็นการทําบุญอย่างสูงสุดในทางพระพุทธาศาสนาอย่างที่เขาเทศน์นั่นมันเป็นกระพี้ของบุญเต่มันก็เป็นบุญด้วยมันเป็นกระที้อย่างที่าพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังคนทํานาจําเป็นต้องอาศัยข้าวปลูก เข้าเสือ้อแต่ว่าเข้าเสื้อนั้นกิ่นบไดาเอาไปวานเอาเข้าไปวานให้เป็นนอกก้าออกมาเวลาไทยนานแล้วไปถอนนอกก้านั้นไปปักไปดำให้เป็นลําฟางขึ้นมาเนี่ยพอดีลําฟางมันแก่ขึ้นมามันก็เป็นเข้ามามนันเข้ามามาน ม, ามันมาเป็นข้ารีบได้บุตซึ่งมีไหนเลยเนีพอดีมันคงแตกบางข้าหลานบ้านขาวาแตกบางข้าหลานคงแล้วกั็มันอ้วกโคตรเหมือ น, นทางข้างบน มันจะเอาอากาศเข้าทองมันอากาศกับไหลเข้าซึมเข้าทีละนิดทีละนิดเม็ดใดมันติดมันบอให้อากาศเข้ามันก็เป็นเข้าวรีบเม็ดใดมันเอาอากาศมันเข้ามันก็เป็นเข้าวตึงไปเนี่ยเมื่อมันตึงแล้วมันก็แก่ก้มลงบ้านห่อเนี่ยวข้าก้มเข้าวเงินหางไกลหววานะจ๊ะบัดนี้เมื่อมันแก่ขึ้นมาเขาก็ไปตัดไปเกี่ยวเอาเอาเจ้าเนี่ยข้าวตึงมาฟาดมายองเอาบ้านหัววาเลยบัดนี้เข้าวรีบหอาทิ้ง เอาให้เข้าผีว่นนี้บางคนก็บ้หุ่จักรกันว่าเข้าผีเนี่บางคนอย่าพ่อหุ่นจักแต่เพราะว่าพ่อย่าพ่อสอนเอาไปให้ผีตาแหกผีตาแหกให้ตาแหกนาเวลาจะ เ, าเข้ามาบ้านเอาเข้าไปให้ผีเออเข้าผีเขารีบอันเข้าผีคนเขากับคล้ายๆคือการคันพูดทํามาให้ฝังแล้วก็ยังไม่ใช่คนมเป็นถีแต่หน้าตาแขนขามือเท่าเป็นคนอันเข้ารีบก็คือกันเป็นเข้าผีว่นที่เข้าขนจีนแต่ว่า เขาคนกินมันอาศัยจากลำฟางพุ่มมาต้องเป็นข้าวตึง้งข้าวตึ้งแล้ววันนี้ยังกินบ่ได้มาสีเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารแล้วยังกินบ่ได้เป็นนึ่งไป็นหูเป็ น, ปน ข, ข้าวสุกยังกินได้ดังนั้นเราทําบุญก็เช่นเดียวกันอันบุญให้ฐานรักษาสิท น, นั่นดีแล้วแต่มันแก้ปัญหาบ่ได้เพราะมันอยู่ในสภาพหัวมยึดถือพระพุทธเจ้าพคนสอนคนที่ <c oughs> เรียกว่าคนบูชจักเนี่ยให้หูจกักคันว่าภาษาธรรมะเรีอกว่าภาษาแบบคนสลดัดจะนึกข่าคนโง่ซ้อนคนโงนะ่นั้นให้กลับมาเป็นคนสลาดซ้อนคนกําลังทำชั่วอยู่นั่นนะ่ะให้มาเป็นคนทําดีซ้อนคนที่กําลังมีความทุกข์อยู่นั่นแหละให้มันหมดทุกข์ไปว่าเลิกหมดทุกข์เอากระว่าเขาถือศาสนาพุทธอันเธอศาสนาพุทธแต่มันทุกข์ บพราว่าถือศาสนาพวกกระตันสร้สางว่าเรื่องวิปัสนาสาบานเขาเพราะว่าวิปัฒนากาเป็นทีวายอดเยี่ยมคันผู้ใดหักมาเจริญยวิปัฒนาอย่างพกอยู่กับโบเมนอีกตื่นเลมาเดินจงกรมซื้อๆเฮ็ดจังหวะซื้อๆกระดีอันากระดียุตแต่ว่าอย่างโ บ, บเมนสัญญาญปัญญาเด้กสัญญาญปัญญาพวกนี้จึงเป็นวิปัฒนากรรมฐานยังทีงเป็นญาติของพระปิจเจ้ายังที่เป็นพี่น้องของพระปิจเจ้ายังที่เป็นผู้เห็นธรรมตัวมันหมึดทุกคุณณ์เนย บัดเนี่บางคนอันนี้ก็ว่าให้กันมีคมทุกพ่อหออยากรวยถ้าเอาบอยากรวยแสดงโบทุกอย่างว่าให้ฝั่งพ่อเมียหอจะกรบุรีดิ้นหล่นมีเงินน้อยก็สบายใจมีเงินหลายก็สบายใจเพราะว่าเอาบให้มันทุกเดี๋ยวนี้เอามีเงินหลายก็ทุกเนี่ยพ่อเคยรู้จักคนบ่าวาบ้านเฮาเน่าพ่อเคยเข้าไปกรุงเทพบริตัดห้างร้านนี่คิดใหญ่ แต่ยกดีความคิดทางบริษัทก็ได้เขาไปเอาเงินธนาคารมากระดูเงินแบงค์เนี่พ่อเขาว่าแบงค์เนี่พราบุคู้จักไปยืมเงินแบงค์มาไปยืมแบงค์มาเขาลดว่าตรงเลยทีเดียวที่เขามีบริษัทแต่เขาต้องเป็นหนี้ธนาคารยืมเงินธนาคารมาสร้างเพื่อว่าคนท่านโบ้มีงานหางินให้เนี่ไปคนบ้มผู้จักการรู้จักงานจําเป็นต้องไปทํางานในบริษัทนี่ยจ้างเขาบริษัทนั้นอยากจะว่าเขาเอาเปรียบเขาเขาไปเข้าใจว่าคนเอาเปรียบเขาบริหานอันนั้นเขาเข้าใจพิด ให้ว่าเขาเข้าใจผิดเนี่เข้าใจตจำแบบผลบทสลับสอนคนผู้ที่เขามีเงินนั่นมีเงินแล้วเขายังไปหายืมเงินใหม่ตืมไปเอาเงินในบริษัทของเขามีให้มีนามีบ้านมีเหงื่อจะข้ามประกรันเอาเงินมาทําเป็นบริษัทขึ้นมาคนผู้ที่หากินว่าเป็นขมลูกโบสูงไม่ได้ทํางานข้าราชการอะไรไปแล้วก็ไ ป, ไปทํางานในบริษัทเป็นลูกจ้างเขาเดือนหนึ่งสี่ห้าร้อยเดือนละตามขมลูกให้วาตามขมสามารถ พุทธศักราชสองพันสามพันก็มีผู้จัดการเขายังมีอีกตึ้นคนหนึงนะบริษัทกับเขาจ้างทําคนเดียวบได้แม่คุณเสภพ่อคุณเสภเป็นคนจังหวัดขอนเป็นคนขอนสวรรค์ขอนสวรรค์เป็นจังหวัดเนี่ยบ่จังหวัดคอนสวรรค์เนาะขอนสวรรค์จริงนี่เป็นบุคู้จากกับคนบุคคลจากมันจังวัดเปจังหวัดนบรีจริเขาเป็น คนครสวรร <Soul> ค์จัง ห, ว, ห, ว, หวัดนครสวรรค์เนี่ยในจัง ห, ว, หวัดนครสวรรค์ผมไม่จังหวัดนครสวรรค์เขามาทําบริษรัทยังเป็นบริษรัทรับเหมาเพชรถนนหนทางเนี่ยเขาภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเขารับเหมาแล้วถามเขาปีหนึ่งใส่เงินเท่าไดร่โอ้ ย, อยพอสิครับว่าใส้เงินหลายได้จ้างผู้จัด ก, การในแผนมาได้เขาเป<ด>็น<ด>หมื่นเนี่ยเขาทําผู้เดียวโบได้ แต่ผู้จัดการแลท้ๆนั้นผู้พ่อผู้หัวให้เราได้ไปผู้เมียเนี่ยเป็นรองผู้จัดการผู้เมียนี่พูดเก่งพูดจัดเดี๋ยวผู้หัวนีเป็นคนเย็นเย็นสบายแต่ว่าเขายังจ้างผู้จัดการอีกทีหนึ่งผู้จัดการนั้นต้องยู่ของเขานั้นผัวนั้นเลยว่าผู้อํำนวยการในว่าผู้เมียเนะ่ยครับเป็นผู้รองผู้อํานวยการเขาจ้างผู้จัดการอีกทีนึ่งแกว่าความจริงผู้หัวเป็นผู้จัดการแต่ว่าเพื่อติดต่อคนข้างนอกนี่ คนมีปัญญาหาเงินคันถ้าเขาก็บางทีก็กำไรบางทีก็กกากขาดทุนอันนี้เราจำเอาไว้โบ๊บ๊ททุกทำ ง, งานในบริษัทนี่แต่ว่าคนถือศาสนาผิดในอีกตื้นบทหนึ่งเขาไปเล่นการพนันในผิดเด้โบเมญญาพระพุทธศาสนาในพวกนี่ยแม่ทำบุญกับโบเมนเขาว่าลักทรัลักศาสนาลักพระมหากษัตริย์อาวุธซื้อๆได้เนี่ยว่าเป็นฟองออกตามริมศกเนี่ยมันเป็นน้ํำลายออกมากรับโบเมนได้ว่าซซื้อๆได้เนี่ยโบเมน เขาบอกว่ากระทำร้างโบรักซาตโบรักศาสนาโบรักพระมหากษัตริย์กระทำซ้างถ้าหากเขางดเดินจากเล่นการพนันหนึ่งสิ่งที่มัติดกฎหมายไฮเดรบัตทุกแง่ทุกมุมแล้วกัืซอวาเขาได้เขาลบรักซาดลักศาสนารักพระมหากษัตริย์กฎหมายทุกมาตรามาว่าภาษาบ้านไฮเดรวาในหลวงก็ได้ต้องไปเซ็นเขียนให้เขาละมรรนีพวกอัน นายกบุญลพ่ออะรแล้วพอบุญูขาจักนายบุญนี้พอออกกฎหมายขึ้นไยงไงก่อนนัมนตรีิพวกผู้แทนพผู้แทน ร, รัฐดรนที่ออกกฎหมายมันก็ต้องไปเสนอให้ในายหลวงนายหลวงพิจารณาแล้วก็สมควรเซ็นกับเซ็นออกมาเป็นกฎหมายออกมาใส่ได้เดี๋ยวนี้ว่าเขารักษารักศาสนารักพระมหากษัตริย์รีนรีนเบียรีนไทยโบเมนรักได้น่บเมเขาลบนายหลวงถ้าหากเขางดเว้นองซีแล้ว เขาจะว่าบรักในหลวงกระทำซ้างแี้ยบ้านเมืองเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นี่อันนี้เขาว่าเขาลักแต่เขาใหดผิดกฎหมายอยู่กับใครๆคือดูโถววาให้ฝังซื้อๆเนี่ยแล้วจะไปหาวาอย่างแ ท, ท้จริอันนี้แหละเขาเข้าใจผิดเขาเขารพลักในหลวงนะให้เขาเขารพลักกฎหมายอย่างเล่นการพันนันหนึ่งซื้อเลขใบใ ห, ให้หวยมุเนีย่ยมันผิดเพราะในหลวงตรากฎหมายออกมาแล้วให้เขาเขาลบ บันีนรักัตสนาบานันเนร์ย่งางเท่าให้บุญบันเน่ยเฮ็ดบุญข้างัวข้าคุยกินเหล้าเล่นกระพนันันบุญเฮ็บุญอีกคือได้หน้ากระด็นพิกคำสอนของพระเจ้าแล้วกระเดันพุกได้ น, นี่ก็ะด็นพอพระเจ้าเป็นพระละหันมองเห็นอดีตอนาคตอดีตก็คือว่าเฮ็ดมาแ ล, แล้วนั้นอนาคตที่เฮ็ดแต่เขาหน้ า, นากระผิดอยู่เพิ่นมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันพระเจ้าเพีออยงว่าอภัยยะมุกอบายยมุกนี่เปลวิถทางไปสู้คมพินาศ ทางไปสุข้ข่มขิตหายเล่นการพ น, นันนี่แม้จะเล่นอย่างไรก็ตาม้างตลอดซื้อเลขซื้อบัตรซื้อเบอร์ซื้อหวยเลขทายสามตัวนี่ก็ได้แต่ตัวเดียวก็ตาม้างผิดกฎหมายเล่นนี่กันีผิดคําพูดของพระเจ้าผิดจีิผิดธรรมแม้กี่ไวัยพาสวดมนตอยู่ขันเป็นนักกับพิษพราะมาจีนําทุกข์มาให้เนี่ยค่วมทุกข์ทุกแง่ทุกมุมพระเจ้ามองเห็นว่าเหตุอย่างนี้มันจะทุกข์แบบนั้นตามคามาเหตุอย่างนี้ขอทุกข์มันจะตามเข้ามา เ, าเพราะพะจถึงห้าม เป็นอบายมุกเี่ว่าเขามาเจริญวิปัสนาต้องทําให้มันเกิดยานปัญญาเห็นแจ้งรูจ้จริงคนทุกข์เพราะเป็นเนี่คนเป็นเนี้คนนี่ทุกได้เห็นเจ้านี่มาแล้วก็ตกใ จ, จรถไปเดียวนี่วันนี้ควบมทุกข์นั่นคือเขาบ่กเป็นเ น, นี่คนอน่ยพ่อว่าเคยิสร้างว่าให้ พ, พ่ อ, อ, อเมียพี่น้องอุบาเหรกเนี่ยพ่อเกิดมาในสิ่งของเนี่ยพ่อบขเคยเป็นเนี้คนห้าสตางคจ็คเทือบบอกเคยเป็นเนี่ยพอที่วันเน่าพอเขเคยรู้จักทุกแบบนั้นคันถ้ายืมเพิ่น ก็ บ, บอกรถจะหาบุคคาได้ยืมเนี่ยพอน้อยที่สุดยืมเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้มาเอาเนอ้อสช่คขาเข้าไปเอาโดยมากเนี่พ่อเป็นคนจ้าคนซื้ออันนี้ไว้ฟังไี่จะคนเอาไปฝากไว้ <c oughs> กูฝากมึงไว้ได้เงินเนี่ยขาจะวางใช่บางคนเอามาฝากวกมาฝากเมียบุคจากกรณีบางคนเมียอามาทิ้งไว้ให้พวกบุคคลจากกรมีมาฝากเนี่ยพอวันนี้พ่อขอบุหิกนี่ไม่ลเท่ายห่าน่ยพอเป็นคเนี่ยขาเจ้าฝากอนี่ยพอนะั่นคือว่า่อาพอเป็นคนซื้อ โบ้ขาเจ้าโบยานโกงนักญาพ่อก็ให้ดอกข้าเจ้านานแล้วสมัยญาพอนานเขาเจ้ายังมาเอาให้ขาเจ้าผู้หละเล็กดาหน้อยซื้อเสื้อให้ซื้อกางเกงให้ะซื้อเอาปลาแดกเอาเกลือนั่นบ้านญาพอมีปลาแดกมีเกลือขาเจ้าก็เอาไปตักเอาอุจิเอานะเอาเอาไปรถโบสังบบสินก็ได้เป็นธรงมสันเงินนี้ข้าเจ้าแล้วยญาพอล้วบทหกหย่อนเพรา่าโบ้ได้เคยไปยืมเงินขาเจ้าเนี่ยแล้วเขาเดี๋ยวนี้นี่นะทุกได้ญาพว่า เนี่พ่ได้ยินว่าบ้านเฮานี้ไปเอาเงินธนาคารหลายคนเ้เขจาวาให้เนี่ยพ่อฟังบ้านเฮานี้หลายร้อยลัยลงคาเงินคนที่ว่ไปเป็น น, นี้ธนาคารนะขจาว่าบัวหัวพอยี่สิบหลังเนี่ยขจ้าคำนวณเขาจ้อประมาณให้เมืองให้ไปเมื่อเป็นนี้ธนาคารพูละร้อยสองร้อยพูดละพันพูดละมื่นก็นมีเขาจาวายฟัง oh, อ้าเนี่ยพ่อตกใจ น, นะพ่อเลไปเป็น น, นี้ธนาคารให้ยางอันเนี้ยอันนี้นนแสดงว่าเขาบู้จักรบุ้จักการหาเงิน เพราะเฮาโบกคิดฆ่าสมาคมกับคนสลดัดไปครบเอาตั้งแต่คนที่โบสลดัดพันวาัางซีอาเสว น, นาจะพาลานังบัณฑิตานันจ่าเขาไปสวดมนตคุนบ้านเานะ่ยเสว น, นาปูซาจัปปูซาณิญาณังเอตัมมังคามุตตัมังโบไม่อขังสักดิ์สิทธิ์เป็นย่งนี้ไปสวดมนต์นบ้านเนะี่ยเป็นภาษาบาลีซื่อๆได้ไหมอาเสว น, นาจะพาลานังเป็นภาษาบาลีเพิ่นบอกว่าจะไปคบคนทานนะ คนโง่อยากไปพบคันถ้าไปคบคนพาลคนโง่แล้วเขาจะมีปัญญาคนวายังสัน้นบันนี้คนพาลมีสองประเภทหนึ่งคนพาลที่ภายนอกกินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันคนพาลภายนอกคนพาลภายในนี่คือเจ้าโลภะ <c oughs> เจ้าโลภะเจ้าโทสะเจ้าโมหะนี่เป็นคนพาลภายในได้บัดนี้เขาต้องระวังตัวนี้ให้มันดีอยติยักรวยทางลัดคาด้วยทางนั้นลแล้วเนีย่ยเพราะว่ามันเป็น น, นี้คนถุกเนี่ย บั น, นี้บัณฑิตานันจะเฉวนาปูซาจะปูสาณิญาณังเอตัมมังคลมุตตะมังเป็นมงคลอันสูงสุดคนว่า <c oughs> บั น, นี้บัณฑิตผู้ศึกษาเ่าเรียนมากนั้นเป็นคนบัณฑิตภายนอกได้น่นเพ้องการแนะนํำคำสอนอย่าไปพบคนพานให้คบกับบัณฑิตให้คบกับคนมีสติปัญญาเขาก็ควรมีความรู้คนว่าอันนั้นบัณฑิตภายนอกได้บัณฑิตภายในบันเนี่ยคือเขามาเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญาในเพื่นบัณฑิตภายนั้นเพราะมันมีทุกคนบัณฑิตอะให้ครบบัณฑิตอันนี้เป็นว่าอย่างนั้นเมื่อคนมีปัญญาคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นภาษาคันว่าภาษาบ้านเฮาคนคันรู้สึกตัวตื่นตัวมันนึกมันคิดมันทางผิดบริหิตก็เป็นบัณฑิตเด้บัณฑิตหมายถึงคนสลาดพุนเนยอันสลาดเบลผิดสลาดรวยทางรัดเนยเป็นบัณฑิตคนผ่านเนย ถ้าหเขาบริจาครวยทางรัฐนี่แหละเขาทิบรซื้อใบซื้อหวยเขาสีมีน้อยใส่น้อยเขาบ่ิจากรวยทางรัฐเฮ็ดไห้เฮ็ดนาปลุกผักปลุกงากินมเนี่ยพอถามบางคนมาไว้ฝังมินิเป็นนี้เขาว่าธนาคารวะมึงมันโง่ได้หมดบริษัทบริษัเป็นนี้ครับมีสามคนทํากันไปยืมแนี่พ่อก็เลยวให้สามคนนั่งเขาใส่มาแล้วเดี๋ยวยิ่งย้องมั้งค่ขน้อยแท้ใส่มาแล้วจาไว่ามึงใส่เดี๋ยวนั้นมันยังบุตรทุกต้องดืมสามคนเด้สามคนต้องคำประกัน คือสองคนต้องคาประกันคือว่าสามคนต้อําประกันกันให้ไวแต่พูดในใจแล้วสองคนยังไม่ได้ใส่ก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นนี้เขาอยู่อ่ะขณะ ใ, ใส่หมดแล้วจธนาคารเขาก็กก ม, มาทวงคุมเดินมาช่วงเมื่อมันมีนมเรื่องเข้ามาคดีขนาดเขาจะเรียกฟองมึงอีกสักหนึ่งว่าในฐานะที่เอิ้นมึงให้เขาเขาเป็นลูกกับว่าแมน่นแต่บมเป็นลูกเนื้อหนังเนี่ยลูกลูกยกเอาบวชเฮ้ยตะกี้เหมือนแต่ว่าบวชหนักมันได้บุญหลายเนี่ย ก็ <c oughs> เลยสอนเขานะมึงถ้าหากว่าอยากให้เตือนทุกออกมาได้นั้นเอ้าต้องเอาสามคนนี้ไปหาธนาคารโหลดผมใส่หมดแล้วมบนบอครับใส่หมดแล้วต้องแทนหรือผมออกเซิสนสองคนนี้่มด้วถ้ผมรู้บ ป, ประกันโมนีโบ ป, ประกันเขาจะอนุญาตให้มึงบอกว่าคันถ้าเขาโบอนุญาตให้มึงมึงยังเป็นนี้เขาอยู่ได้หรืไม่เนี่ยเป็นนี่พอสองคนบนได้ใส่หมดได้กฎหมายมันต้องเป็นกับสันนิได้ว่บอกคันใส่หมดแล้วใส่หมดแล้วมึงก็ต้องไปพิจารณากับสองคนนี้เตรมนำกันไป ต้องไปหาธนาคารรดน้เอาเงินพุนาวะว่าที่ให้อันนี้แสดงว่าเขาอย่างบุญสลัดสลา ด, ลาดยุคเขามีเงินฮิตไซดของเขาบุปผีนี้แต่อันนี้ภายในกฎหมายเขายัางบุคคลจักนี่แหละผมบอเอ้ยบัณฑิตานั้นจะเสบันนาปูสาจะปูซานิญาหนังเอตมังคมามุตตะมัคนต้องหุ่จักอันนี้ก็แสดงให้ฟังตามความจริงใจ <c oughs> <c oughs> สือ่อเลกหนึง่งผิดกฎหมาย พิษทิรร้งทาทําบุญกินเหล้าหนึ่งอย่าพ่อไว้ฟังตันซื้อเด้อย่าพ่อเคยอยู่บ้านขเขาเฮ็ดคันทําบุญแล้วว่าเก็บยุกเหล้า่เฮ็ดทาบุญแล้วเก็บยุกแล้ามันถูกต้องตามคําสอนของพระเจ้าบอบอกแม่นพิษแล้วน่สแสดงว่าเขาเฮ็ดไปตามประเพณีซื้อในวัาเฮ็ดบุญเกิดในบาปบาปของบุหุจักของย่านบาปเคยถามหลายคนของที่มาของที้ไก่เมนบ่เมีนคันเมียนนะเขาเยียบบ่เยียบเขาบ่เห็นว่าท่น บุเห็ุเนี่ยอย่างเยียบคติว่าตามภาษาคนมีปัญญาคันบุเห็นมันจะเยียบถูก้เขาคติว่างสันเจ้าเฮาเลื่นว่าบุเห็นภาษาบ้านเฮาบุเหตุอย่างเยียบว่าสันคันบุเห็นมันจะเยียบถูกบอกไอ้ข่าววายสันแต่ว่าเข่าววาคันเข้าใจว่ากองขี้ไก่มันเม็นเขาจิไปเยียบให้อย่างเอาขี้ไก่กะลังขี้เป็ดมันจะออกบอกบอกออกแล้วก็เพิ่มขมเหม็นเขาสนวาเนี่ยอันนี้ให้เขาเข้าใจต้องกล้าพูดก้าบอกก้ารสอนกันตามคมจริงใจถ้ารักกันจริงๆอันนี้เฮาโบเสือ อย่างพ่ว่าหลายปีแล้วอย่าพ่อเลิกตั้งแต่ปีใดพุอายุ46ปีอย่างพ่อเลิกตั้งแต่มื่อนั้นมาเท่าเดีย๋ยวนี้เรื่องคนกินเหล้าเนี่ยเอาคันพกกินเหล้ากูจะค่าได้เนี่ยฆ่ากับ่าแล้วจีว่ายังไงบุตรว่าเสียสละชีวิตโอ้เสียสละทรัพย์พอรักษาอาวัยยาวเสียสละอาวัยวะพอรักษาชีวิตเสียสละชีวิตจริงๆเนี่ยพอรักษาจัดจะทำเขาเสียได้บ่เขาลอกเขาก็เฮ็ดไป กินเหล้าเป็นบุญบอกโบแมนบาบถ้าเป็นบุญลงกันสุราต้องเป็นมหากุศลอย่างใหญ่อันนี้เขาทําโดยที่บูมหักได้เนี่ยคนที่นําเขานั่งขัเจ้าข้าบูมหักถ้าเขาู้จักแล้วบบเฮดเนี่ยพอโบเฮดเท่าซุ่มเออเดี๋ยวนี้เนี่ยพอโบเฮดสุกบุรีเนี่ยพอก็เลยเขาเอนพออย่าพอหัศอย่าพอเห็นอย่าพอหู้อย่าพอเข้าใจกินเหล้าอย่าพอโบเอาโบเอาแท้แท้นี่ยพอไปเซวาจ้ากระจันฟางเรื่องของคําโพ์ ถ้าเจ้าของผู้จักธรรมะรักษาคำสอนของพระเจ้าต้องเลิกเด็ดขาดเลยอย่างที่ไปวิจบ ก, กังบนยังตันบอกอันนี้ก็แสดงให้ให้ฟังพอแม่พี่น้องทำบุญเนี่ยพอนี่ไปจชกนี่ไปกัหลายปีสมัยเนี่พ่อยูนากับเฮ็ดบุญแล้วก็เคาะไม้ก๊อ ก, กเก็บให้กันหลอนไปอ้อมบ้านเก็บบุกเราไปเก็บเพล่งเนี้ยมันผิดจ่ะไม่ผู้จักบนบันทึกคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนั่นเขาเฮ็ดบุญเมื่อวานนี้เขาว่าเขาได้บุญมาลางบาปมือนี้เอาแล้วเอาขี้เป็ดไปล้างที้กายแล้วเนี่ย มีคนว่าเอาขี้เป็ดปลังที่ไก่เอาขี้ไก่ปลังที่เป็ดมันบบหอมแล้วเอามันเมินมันเมินอยู่แล้วเด่นให้เขาเข้าใจจังทันบันี้ตจีว่าวในทานเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็ดเต็ดนี่คนรู้จักเน๊ะก็คือเอาใหดเอาขี้เป็ดปลังที่ไก่เอาขี้ไก่ปลังที่เป็ดนเป็ดน่นเป็ดตัวหนึ่งมันต้องการความเย็นเอาสมมุติว่าเต็ก็ได้ว่าคนเขานี่รกก็ได้คือว่าเป็มันไกลคนคนนึงต้องการความเย็นอยากไปหาบ่อน้ำ มันบูเขาจักน้ำกดคนหิวนาำเนี่ยพอเดไปเห็นบอนน่อน้ําก็ลุยเข้าไปรถเขาเฮ็ดกอกน้ำเดี่ยนเปิดออกมาแล้วดักกินกินแล้วมันก็เป็นน้ํากดไม่เนื้อไม่หนัง เ, เาขงา เ, เขาบูเขาจักนี่เข้าใจบว่าอย่างเสียน้ํากดมันร้อนเนี่ยกินเข้าไปก็เลยไม่เนื้อไม่หนังเขาแล้วเขาฟอกหาน้ําน้ําเย็นมันก็เป็นน้ํากดเขาเฮ็ดบุญก็เช่นเดียวกันเขาบูเขาจักบุญเขาจะไปกินบาบ เขาบูฮู้จักน้ากดเขาจะไปกินน้ากดพอได้กินเขาไปแล้วน้ากดมันไหมเรือกระดูกกากสากพอไม่เนื้อไมหนังเขาเนี่ยอันนี้เหตุบุญโบเป็นเพราะว่ากินน้ำบรสะอาดกินน้ำโบเป็นเจ้าของต้องการน้ําเย็นทําไมไปกินน้ํากดน้ํากดนี่มันกัดให้เขา้าใจอย่างเต็มบัด น, นี้ก็ลองขึ้นมาแล้วลองขึ้นมาว่าต้องการความเย็นทําไมเจ้าของมาเปิดน้ํากุดมากินเพราะเขาบูฮู้จักเรื่องการให้ฐานรักษาสินทําบุญทุกประเภทศพระเจ้าว่าให้ครบกับบัณฑิต คบกับผลสลาดคบกับผู้รู้แจ้งเหตุจริงเพป็นว่าอย่างไนการทําบุญนั้นดีแล้วแต่อย่าไปทําบุญอย่างในทางที่ผิดอย่างที่ว่าน้ํามันดีแล้วคันจะเต้มน้าบุหรี่กรอกมันจะเป็นน้ํากดน้ํานั้นมันเย็นถ้ากินทุกบ่อเย็นมันเย็นถ้าไปกินบ่อน้ํากดแล้วมันไหมเด้อันนี้บอกหมูเจ้าไหวซื้อมูเจ้าคล้อยถึงผลสลัดดอกคลอยหูวจักกว่าน้ํากดมันไหมมูเจ้ากับหัจักบ่ของน้ำกรดมันร้อนวะแล้วคันริงเข้าไปมันไหมเสื้อในท่าเห็นบอก นเ น, <c oughs> นี่ยน้ำกดเฮาจีบู้เข้าใจน้ำกดเด๊ะนี่ถ้าในไม้ไไมนี่เอาไปแล้วน้ากด ต, ตกใส่เปื่อยลบไปเดียวมูเจ้าต้องเข้าใจว่าน้ํานี่เป็นน้ําเย็นแทบอรหรือเป็นน้ำกดต้องเบื่งสะคอนเนี่คนที่กินนะ่ะเฮ็ดยางคือการคันว่าหลกกระโบดีเตือนเป็นหัวข้อปีกนอยอันนี้ให้วาให้ฟังเนี่ยถ้าหากเฮาบู้เข้าใจยังสั่นแล้วเฮาจีถือศาสนาขุดผิดบู้เ้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ การทําบุญนั่นดีแล้วให้ทานดีแล้วรักษาศีลดันดีแล้วถ้าถูกต้องอ่ะถ้าโบถูกต้องแล้วโบเป็นบุญโบเป็นทานโบเป็นศีลด้กี้เอาขี้เป็ดไปล้างที่ไกเ่เด้กม่เดียวใครว่าเจ้าของจะได้กินน้าเย็นมาจากทุกงน้ำกดเด้กแม่มันเจริญสันในนี่เตือนจิตกับจิตใจเพราะว่าเราเป็นนักวิปัสสนาต้องเป็นนักปัญญารู้จักเป็นว่าเสียดสละสัพเพราะรักษาอาวัยวะเสียดสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต งองเสียแม้กระทั่ทงชีวิตเพื่อรักษาสัจธรรมเสียแล้วบอก <Okay. S 1> เขามายกงองแล้วเดี๋ยว น, ะ <c oughs> นี้เฮยเี่ยไงยาเฮ็ดนะทำอิดกันเอาจําเป็นขัดขวงบอดาต่อต้านเขาว่าไม่สิเออไม่ไม่น้อยให้ว่าเดี๋ยไปแต่ขัดไม่อยู่ไม่นา ง, นงบ่อยู่เคนผู้เดียวขัดหลายคนบ่อยู่อยู่ใดอย่างพอพระสิวาเจ้ากรทําซ้างอย่างพอโบอเสีเยทียยบบย่เอาไม่น้อยๆมังงัดกับบอดาเอาไม่แย่ๆมังงัดกับบได้ยสิ่งที่ผิดคําสอนของพระเจ้าเจ้าของโต๊ะก้าวา ว่าเนี่ยพอเคยว่าให้พอให้เมเลเด้์อย่าพอรู้จักมาแล้วมาทำบุญห้ามลดเล็ดขาดบวให้จีบมากหมุนบุรี่แต่ก้อนอย่าพอเป็นคนให้พอเมลีพีน้องจีกมากเหมุนบุรี่่นีเให้เขาปุ้นเข้าปาดกินกันได้อั น, นันต์บาชเรื่องจีบมากหมุนบุรีเล็ดขาดอย่าพอบวชไอ้ที่ให้กระซัรอย่าพอบวาในวงการอย่าพอเรียนพอบอชเป็นอย่างนั้นถึงเป็นลูกกระซังหลังกรตามห้ามบวฟังกระแล้วเรื่องิงนี้แล้วมันผิดคันสอนของพระเจ้า มันเป็นทางพินาศผิดหายเนี่ยให้เข้าใจอย่างตันแล้วเฮากระซื้อว่าของเฮ็ดบุญเนี่ยพอเคยรู้จักเรื่องเพรนี้ถ้าห้าเขาโบให้จังเที่ยมันจะเอาขี้เป็ดฝรั่งขี้ไก่เอาขี้ไก่ฝรั่งขี้เป็ดเฮาเจ้หากินน้ําเย็นเย็นมันจะทึกน้ากดเข้ามามันจะไม้เสื้อไม้ผ้าเฮาไม้เนื้อไม้หน่ะเฮาจิมีแต่กระดูกสังสะเขาเอินเป็ดเป็ดมันกินโบรู้จักเรื่องเป็นว่าเป็ดปากมันน้อยในปากมันน้อย ต้นโตทอภูเขาปักปากท่อโลหิตต้นโตทอภูเ ข, ขา ค, คุณปากทอ่อโลเขตนี่กินท่อใดบอกเขาเอาคุณไวกินถนนหนทางกินเหล็กกินหล่ากินที่หินก็นกินเขา ว, ว่าเอิญเป็ดแบบนั่นแ่เขาองได้ว่ารถึงขนาดอันดอกรีเพียววัแนแนะนําสื่อไปดูบางหาันแล้วศพครบงานพระพุทธเจ้าบอกบอกข้าสนน่ะมีหนังมีลิกเกลละครแม่คําสอนของพระพุทธเจ้าแท้แล้วบอกหลวงพุจักด้วยหนังอันนี้การแสดงว่า เขาไปลงกินน um ้ำกดนึกว่ามันเป็นน้ำเย็นเย็นมันไม่เขาเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเขาบม่รู้จักการทำบุญเนี่ยทีนี้พอว่าให้ฟังในวาด้วยความจริงใจเขามาเจริญนิพพานต้องมองหน้ามองหลังมองข้างซ้ายข้างขวาผิดเป็นผิดทุกเป็นถูกผิดแล้วเนี่ยยเดนคืนเฮ็ดอยู่กับเป็นเตะเด็กเนี่ยย้านเนี่ยเตะเขาว่าขี้ย้านขี้กลัวบวกกล้าพูดบวกล้าทำจิตใจบวเข้มแข็ง ถ้าหากเป็นคนจริงๆแล้วต้องกล้าผิดก็เป็นผิดทูกข์ก็เป็นทูกเรามองเห็นว่าอันนี้ผิดแล้วว่าผิดรุดยังว่าการจเจริญนิพพานนั้นเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเป็นวา่าอันนี้บุญนี้เหาเข้าใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นจังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบสามอย่างเนี่ยแล้วสามอย่างนี้คือมัจิตใจบริสุทธิ์ จิตใจพองใสจิตใจว่องไวเมื่อจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองใสจิตใจว่องไวตัดสินลงไปตบทำอย่างนี้ทําไปบุค่อยพิดอย่างนี้ไม่ทํามันพิดตัดสินใจไปได้พันว่าอันนั้นคนจเจริญนิพพสนามันต้องเห็นไปอย่างนั้นการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องตัดสินใจของเขาพี่ซึ่งนี้มันผิดคําสอนของพระพรุทธเจ้ามองเห็นมันเรียกว่าเป็นตาทิพย์น้อยอันนี้